ถรรมบทแปลเรื่องบัณฑิตสามเณรภาคที่สี่เรื่องที่หกสิบสี่พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภบัณฑิตสามเณรตรัสพระธรรมเทศนานิว่าอุทกันหินยันติเนติกาอุสุการานมะ ยันติเตชะหนังทารุงณมะยันติตัตชากาอัตานังธรรมะยันติบันทิตาอันคนไข้น้ําทั้งหลายย่อมไข้น้ําช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดลูกศรช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน ดังได้สับมาในอดีตการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสส ป, ปะมีพระขีนาศพสองหมื่นรูปเป็นบริวารได้เสด็จไปสู่กรุงพารณาสีมนุษย์ทั้งหลายกำหนดกำลังของตนของตนแล้วร่วมกันแดคนบ้างสิบคนบ้าง ได้ถวายอาคันตุกะตานแล้วต่อมาวันหนึ่งในการเป็นที่เสร็จพัฒกิจพระาศาสดาได้ทรงธรรมอนุโมทนาอย่างนี้ว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้คิดว่าเราให้ของของตอนเท่านั้นควรประโยชน์อะไรด้วยการชักชวนคนอื่นดังนี้แล้ว จึงให้ทานด้วยตนเท่านั้นไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้โภคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วบางคนชักชวนผู้อื่นแต่ไม่ให้ด้วยตนเขาย่อมได้บริวารสมบัติไม่ได้โภคสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วบางคน ทั้งไม่ให้ด้วยตนทั้งไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมไม่ได้ทั้งโภคาสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติเป็นคนกินเดนเป็นอยู่ในที่ที่ตนเกิดแล้วและบางคนทั้งให้ด้วยตนทั้งชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้ทั้งโภคาสมบัติทั้งบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้ว ตอนผู้เลื่อมใสในอนุโมทนาคถาช้บัณฑิตผู้หนึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ได้ฟังอนุโมทนาคถานั้นแล้วคิดว่าบัดนี้เราจะทำอย่างที่สมบัติทั้งสองจะมีกับเราเขาได้ถวายบังคมพระาศาสดาแล้วกราบตูลว่าพรุ่งนี้ขอพระองค์โปรดทรงรับภิกษาของข้าพระองค์พระชก้า พระศาสดาก็เธอต้องการภิกษุเท่าไรบัณฑิตผู้นัน้นก็บริวาลของพระองค์มีเท่าไห ร, ร, าาร่พระชก้าพระศาสดามีภิกษุสองหมืนรูปบัณฑิตผู้นัน้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรุ่งนี้ขอพระองค์กับภิกษุทั้งหมดโปรดทรงรับภิกษาของข้าพระองค์พระศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วชายบัณฑิตผู้นัน้น จึงเข้าไปในหมู่บ้านแล้วบอกบุญกับคนทั้งหลายว่าแม่และพ่อทั้งหลายพรุ่งนี้ข้าพระเจ้านิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไว้เพื่อรับภิกษาท่านทั้งหลายจงถวายแก่ภิกษุเท่าจำนวนที่สามารถถบายได้ก็เมื่อชนทั้งหลายกําหนดกําลังของตนของตนแล้วได้กล่าวขึ้นว่า พวกเราจะถวาย10บรูปพวกเราจะถวาย20บรูปพวกเราถวายร้อยรูปพวกเรา5้าร้อยรูปดังนี้แล้วจึงจดคำของคนทั้งหมดลงไว้ในบัญชีตั้งแต่ต้นมาตอนชายเข็นใจยินดีรับเลี้ยงภิกษุก็ในสมัยนั้นในเมืองนั้นมีชายคนหนึ่งปรากฏ ชื่อว่ามหาทุกขตะเพราะความที่เขาเป็นผู้ยากจนยิ่งนักชายบัณฑิตนั้นเห็นชายเข็นใจนี้มาแล้วจึงบอกกับว่า<ม>เพื่อนมหาทุกขตะข้าพเจ้าได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเอาไว้เพื่อฉันอาหารในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ชาเมืองจะถวายทานกัน เธอจะเลี้ยงภิกษุสักกี่รูปใช่เขียนใจท่านผู้เจริญผมจะต้องการอะไรด้วยภิกษุเล่าชื่อว่าความต้องการภิกษุเป็นของคนมีทรัพย์ส่วนผมแม้ว่าสักข้าวสารธนานหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ข้าวต้มพรุ่งนี้ก็ไม่มีผมทำงานรับจ้างเลี้ยงชีพผมจะต้องการอะไรด้วยภิกษุก็ธรรมดา ผู้ชักชวนพึงเป็นผู้ฉลาดเพราะฉะนั้นชายบัณฑิตผู้นั้นแม้เมื่อคนเขีนใจพูดว่าไม่มีก็ไม่นิ่งเฉยยังกล่าวกับคนเขีนใจนี้ว่าเพื่อนมหาทุกตะก็คนเป็นนันมากในเมืองนี้บริภพโภคโภชนะอย่างดีนุ่งผ้าเนื้อละเอียดแต่งตัวด้วยเครื่องอาภรณ์ต่างๆนอนบนที่นอนอันสง่างาม ย่อมสวยสมบัติกันส่วนแกทำงานรับจ้างตลอดวันยังไม่ได้อาหารแม้พอเต็มท้องแม้เมื่อเป็นเช่นนี้แกยังไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรอะไรเพราะไม่ได้ทำบุญอะไรอะไรไว้แม้การก่อนกหรือคนเกลนใจผมทราบอยู่ท่านบัณฑิตผู้นั้นก็เมื่อเช่นนั้นทำไมบัด น, นี้แกจึงไม่ทำบุญเล่าแกยังเป็นหนุม่ม มีเรี่ยวแรงสมบูรณ์แกแม้ทํางานรับจ้างแล้วให้ทานตามกําลังจะไม่ควรหรือมหาธุคตาบุคคล น, นั้นเมื่อชายบัณฑิตกล่าวอย่างนี้อยู่จึงถึงความสลดใจแล้วพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นคุณลงบัญชีภิกสุให้ผมบ้างสักรูปหนึ่งผมจะทํางานรับจ้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจะถวายภิกษุ แก่ภิกษุรูปหนึ่งชายบัณฑิตนั้นจึงคิดว่าภิกษุรูปเดียวจะจดลงในบัญชีทำไมดังนี้แล้วจึงไม่ได้จดเอาไว้ฝ่ายมหาทุกตาบุคคลคือคนเข็นใจนั้นไปเรือนแล้วได้กล่าวกับภรรยาว่าลอนผู้นี้ชาวเมืองเขาจัดถวายพัดเพื่อพระสงค์แม้ฉัน ก็ถูกผู้ชักชวนบอกว่าจงถวายพิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งพวกเราจะถวายพิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งในวันพรุ่งนี้ลาดับนั้นภรรยาของเขาไม่พูดเลยว่าพวกเราเป็นคนจนแกรับคำเขาทำไมแต่กล่าวกับสามีว่านายเธอทําดีแล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้ให้อะไรอะไร ชนี้จึงเป็นคนยากจนเราทั้งสองคนทํางานรับจ้างแล้วจะถวายแก่ภิกษุรูปหนึ่งแม้ทั้งสองคนได้ออกไปสู่ที่สํานักงานจ้างมหาเศรษฐีเห็นบุคคลเข็นใจคือมหาทุกขตะบุคคล น, นั้นแล้วจึงถามว่าเพื่อนมหาทุกตะเธอจะทํางานรับจ้างหรือขอรับกระผม ก็เธอจะทำอะไรเล่าก็แล้วแต่ท่านจะให้ทำครับมหาเศรษฐีจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เราจะเลี้ยงภิกษุ2 3 0ถึงจงมาเถิดเธอจงผ่าฟืนแล้วก็หยิบมีดและขวานมาให้มหาธุคตาบุคคล น, นั้นถึงความกรัหมกระมิกก่นอย่างแข็งแรงถึงความอุตสาหะวางมีด วาขวานทิ้งขวานชวยมีดผ้าฟืนไปลำดับนั้นเศรษฐีพูดกับเขาว่าเพื่อนทุกขตาเอ๋ยวันนี้เธอขยันทำงานเหลือเกินมีเหตุอะไรหรือนายผมจะเลี้ยงภิกษุรูปหนึ่งเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วมีใจเลื่อมใสมีความคิดว่านั่นเลื่อมใสจริงหมาทุกขตานี้ ทำกรรมที่ทําได้ยากขอไม่ถึงความเฉยเมยด้วยคิดว่าเราจนแต่กลับรับจ้างทางานแล้วจะเลี้ยงภิกษุรูปหนึ่งฝ่ายภรรยาของเศรษฐีเห็นภรรยาของมหาทุกขสานแล้วก็ถามว่าแม่เธอจะทํางานอะไรเมื่อนางตอบว่าก็แล้วแต่จะให้ดิฉันทำอะไรภรรยาของเศรษฐี จึงให้เธอนั้นไปสู่โรงกระเดื่องแล้วให้มอบเครื่องมือมีกระด้งและสากเป็นต้นภรยาของนายทุกตะานนั้นร่าเริงยินดีทั้งตำและผัดข้าวเหมือนจะรำละครลำดับนั้นปรยาเศรษฐีถามนางว่าแม่เธอยินดีร่าเริงทำงานเหลือเกินมีเหตุอะไรหรือ คุณนายพวกที่ฉันรับจ้างงานนี้แล้วก็จะเลี้ยงภิกษุรูปหนึ่งฝ่ายภริยาเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วเลื่อมใสในานางว่าน่าเลื่อมใสจริงนางนี้ทำครรมที่ทำได้ยากก็ในเวลาที่มหาทุกะตาปาฟืนเสร็จเศรษฐีสั่งให้ให้เข้าสารสีทนานด้วยคำพูดว่านี้ข้าช่างของเธอ แล้วสั่งให้ให้แม้อีกสีธนานด้วยพูดว่านี้เป็นส่วนที่เพิ่มให้ประความยินดีแก่เธอเขาไปสู่เรือนบอกกับภริยาว่าฉันรับจ้างได้ข้าวสาลีมาส่วนนี้จะเป็นกับข้าวเจ้าจงถือเอาของคือนมส้มน้ำมันและเครื่องเทศด้วยค่าจ้างรายงานที่เจ้าได้แล้ว ฝ่ายภรยาเศรษฐีสั่งให้ใจ่ายในไใสขวดหนึ่งนมส้มกระปุกหนึ่งเครื่องเทศห่อหนึ่งและข้าวสารสาลีชั้นดีธนานหนึ่งแก่นางนั้นเขาทั้งสองได้มีข้าวสารรวมห้าธนานด้วยประการชนี้ทั้งสองผัวเมียยินดีร่าเริงว่าเราได้แตยธรรมแล้ว จึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่รรยาพูดกับสามีคือนายมหาทุกตะว่านายไปหาผักมาสิมหาทุกตะนั้นไม่เห็นผักในร้านตลาดจึงไปฝั่งแม่น้ำมีใจร่าเริงว่าจะได้ถวายโภชนะกับพระผู้เป็นเจ้าร้องเพลงไปพลางเลือกเก็บผักไปพลาง ชามประมงคนหนึ่งยืนทอดแหใหญ่อยู่ได้รู้ว่าเป็นเสียงของนายมหาทุกตะจึงเรียกเขามาแล้วถามว่าแกมีจิตยินดีหรือเกินร้องเพลงอยู่มีอะไรหรือนายมหาทุกตะฉันเก็บผักอยู่เพื่อนชาวประมงก็จะทำอะไรกันหรือนายมหาทุกตะฉันจะเลี้ยงพิกสุชกรูปหนึ่ง ชาวประมงโอ้ดีละยิ่มละภิกษุที่ฉันผักของแกนหมหาตุกตะจะทำอย่างไรได้เพื่อนกันต้องเลี้ยงภิกษุด้วยผักที่กันได้ชาวประมงถ้าอย่างนั้นมันี่เถิดจงถือเอาปลาเหล่านี้ร้อยเป็นพวงมีราคาบาทหนึ่งบ้างกึ่งบาทบ้างกะหาปะนะหนึ่งบ้าง นายมหาทุกตะจึงรับเอาปลานั้นมาชาวเมืองได้ซื้อปลาที่นายมหาทุกตะร้อยไว้ร้อยไว้ไปเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุที่ตนนิมนต์นิมนต์แล้วเมื่อเขากาลังร้อยปลาอยู่นั่นแลก็ถึงเวลาพิกาจาร์แล้วเขากาหนดเวลาแล้วว่าฉันจะต้องไปแล้วเพื่อนนี่เป็นเวลาที่ภิกษุมา ชาวประมงก็ควงปลายังมีอยู่ไหมนายมหาตุกตะไม่มีแล้วเพื่อนหมดสิ้นแล้วชาวประมงถ้าอย่างนั้นปลาตะเพียนสี่ตัวฉันหมกซรายเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองแต่ถ้าแกต้องการจะเลี้ยงภิกษุจงเอาปลาเหล่านี้ไปเถิดในนี้แล้วชาวประมงก็ได้ให้ปลาตะเพียนแกนายมหาทุกตะไปตอน มหาทุกตะได้ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าก็ในวันนั้นพระาศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นนายมหาทุกตะเข้าไปในภายในคายคือประยาณของโรงทรงรำพึงว่าจะมีเหตุอะไรหนาแลมีความดำ่งรีว่านายมหาทุกตะคิดว่าจะเลี้ยงภิกษุ สักรูปหนึ่งจึงได้ทำงานจ้างกับภรรยาในวันๆเขาจะได้ภิกษุรูปไหนหนอจึงใกรกรวนว่าคนทั้งหลายจะพาภิกษุไปตามชื่อที่จดไว้ในบัญชีแล้วให้นั่งในเรือนของตนของตนก็ถ้าเว้นเราเสียแล้วมาหาทุกตะจะไม่ได้ภิกษุอื่นก็ดีนว่าพระ พุทธชาทั้งหลายย่อมทรงทำความอนุเคราะห์ในพวกคนเข็นใจเพราะฉะนั้นพระาศาสดาทรงทำสศรีรากิจแต่เช้าตรู่แล้วเสด็จเข้าสู่พระคันธ ก, กุฎีประทับนั่งด้วยทรงดําริว่าจะสงเคราะห์นายมหาทุกตะก็แม้เมื่อนายมหาทุกตะกำลังถือปลาเข้าไปสู่เรือน บรรทุกําพลศีลาอาจคืออาสนะของเท้าสั ก, กะแสดงอาการร้อนเท้าเธอส่งพิจารณาว่าด้วยเหตุอะไรหนอจึงทราบว่าก็เมื่อวานนี้นายมหาทุ ก, กตะได้ทำงานรับจ้างกับภรรยาของตนโดยตั้งใจว่าจะถวายพิกษาแก่พิษสุรูปหนึ่ง เขาจะได้ภิกษุรูปไหนหนอก็อเมื่อเท้าสักะทรงทราบว่าภิกษุอื่นไม่มีสำหรับเขาแต่พระศาสดาประทับนั่งในพระกุดีนั่นเองด้วยตั้งใจว่าจะทรงพรานายมหาทุกตะนายมห ah าทุกตะพึงถวายข้าวต้มข้าวสวยและผักเป็นกับอย่างที่ตัวเองบริโภคเอง แด่พระตถ า, าคตถ้าใครเราควรไปยังเรือนของนายมหาษษษทุกตะทำหน้าที่เป็นพ่อกลัวดังนี้แล้วจึงได้จําแลงกายไปไม่ให้ใครรู้จักเสด็จไปที่อยู่เรือนของนายมหาทุกตะนั้นแล้วจึงได้ถามนายมหาทุกตะว่าก็คใครๆมีงานจ้างอะไรบ้างหรือนายมหาทุกตะ เห็นเท้าสกะที่จำแปลงกายมานั้นจึงกล่าวว่าจะทำงานอะไรเล่าเพื่อนใช่แปลงกายข้าพเจ้ารู้วิชาการทุกอย Jamie, ่างนายชื่อว่าวิชาการสิ่งไรที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจไม่มีเลยข้าพเจ้ารู้จักการปรุงข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นนายมาตุกตะเพื่อนเอ๋ยพวกข้าพเจ้ามีความต้องการด้วยการงานของท่าน แต่ยังไม่เห็นค่าจ้างที่ควรจะให้แก่ท่านชายแปลงกายก็ท่านต้องการทำอะไรในมาตุกตะข้ า, าพเจ้าประสงค์จะถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งประสงค์จัดแจงข้าวต้มข้าวสวยถวายภิกษุนั้นก็ท่านจะถวายแก่ภิกษุข้ า, าพเจ้าไม่ต้องการค่าจ้างท่านให้บุญแก่ข้ า, าพเจ้าไม่ควรหรือดีละเพื่อนถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้น เชิญเพื่อนเข้าไปทำงานเถิดท้าวสัง ก, กะที่จำแรงกายมานั้นจึงเข้าไปในเรือนของนายมหาทุกตะนั้นแล้วให้นำข้าวสารเป็นต้นมาแล้วทรงนายมาหาทุกตะนั้นไปด้วยัำว่าไปแต่ท่านทรงนาภิกษุที่ถึงแก่ตนมาฝ่ายผู้จัดการตานได้จ่ายภิกษุไปสู่เรือนของพวกชนเหล่านั้นเหล่านั้น ตามรายการที่จดไว้ในบัญชีนั่นแหละส่วนนายมหาทุกตะไปยังสำนักของเ่าวแล้วก็พูดว่าจงให้ภิกษุที่ถึงแก่ผมเถิดบัณฑิตผู้นั้นได้สติขึ้นในที่นั้นจึงพูดขึ้นว่าโอ้ฉันลืมภิกษุสำหรับแก่เสียแล้วนายมหาทุกตะเป็นเหมือนถูกประหารที่ทอง ด้วยห อ, อกอันคมประคองแขนรำไห้ว่าเหตุไรจึงทำให้ผมชิบหายเสียเล่าคุณแม้ผมอันท่านชวนแล้วเมื่อวานก็ร้อมด้วยภรยาทำงานรับจ้างตลอดวันในวันนี้แต่เช้าตรู่ได้เที่ยวไปฝั่งแม่น้ำเพื่อต้องการผักแล้วจึงมาขอท่านจงให้พิกสุแก่ผมสักรูปหนึ่งเถิดตอน มหาทุกตะไปนิมนต์พระศาสดาคนทั้งหลายประชุมกันแล้วถามว่านายมหาทุกตะนั่นอะไรกันเขาบอกเนือ้อความเหล่านั้นคนเหล่านั้นจึงถามกับผู้จัดการทานว่าจริงหรือเพื่อนได้ยินว่านายมหาทุกตะนี้ท่านชักชวนให้ทำงานรับจ้างเพื่อถวายพิษาแก่ภิกษุรูปหนึ่ง ผู้จัดจาการทานขอรับผมชักชวนเขาเองคนเหล่านั้นก็ท่านจัดการภิกษุมีประมาณถึงเท่านี้ไม่ได้ให้ภิกษุแก่นายมหาทุกตะนี้สักรูปหนึ่งทํากําหนักเสียแล้วบัณฑิตผู้จัดจาการทานละอายใจโดยคำพูดของคนเหล่านั้นจึงพูดกับนายมหาทุกขะตาว่าเพื่อนมหาทุกตะเอ๋ย อย่าให้ฉันชิบหายเลยฉันถึงความลำบากใหญ่เพราะเหตุแห่งท่านคนทั้งหลายนำภิกษุที่ถึงแก่ตนแก่ตนไปตามรายการที่จดไว้ในบัญชีชื่อว่าคนผู้ซึ่งจะถอนภิกษุผู้ซึ่งนั่งในเรือนของตนให้ไม่มีส่วนพระศาสดาทรงล้างพระพักแล้วประทับนั่งอยู่ในพระคันธ ก, กุฎีนั่นเองพระเจ้าแผ่นดินยุพ ร, ราช และอิสระชนมีเสนาบดีเป็นต้นนั่งแลดูการเสด็จออกจากพระคันท ก, กุดีแห่งพระาศาสดาด้วยคิดว่าจะรับบาทของพระาศาสดาไปธรรมดาพระพุทธรชากทั้งหลายย่อมทรงทมอนุเคราะห์ในคนยากจนท่านจงไปวิหารกราบทูลพระาศาสดาว่าตนเป็นคนยากจนแล้วขอให้พระองค์ ทำความสงเคราะห์เถิดถ้าท่านมีบุญท่านจะได้แน่ตอนพระศาสดาประทานบาทแก่นายมหาทุกตะนายมหาทุกตะนั้นได้เข้าไปสู่วิหารก็ลําดับนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระยุป ร, ราชเป็นต้นตรัสกับนายมหาทุกตะว่านายมหาทุกตะนี่ยังไม่ใช่เวลาพัดก่อน เจ้ามาทำไมที่ตรัสตางนั้นเพราะเคยเห็นเขาโดยความเป็นคนกินเดนในวิหารในวันอื่นๆนายมาตุกตะจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพเจ้าทราบอยู่นี่ยังไม่ใช่เวลาอาหารสําหรับข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ามาเพื่อถวายบังคมพระศาสดาดังนี้แล้วนายมาตุกตะจึงสบสศีรษะ ลงที่ธรณีของพระกันกตะกุดีถวายบังคมด้วยเบญจางค่าประดิษฐ์แล้วกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญผู้ที่ยากจนกว่าข้าพระองค์ในพร ะ, ะนครนี้ไม่มีแล้วขอทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์เถิดขอทรงทำความสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิดพระศาสดาทรงเปิดประตู พระ ก, กันทะกุดีทรงนำบาทมาประทานในมือของเขาเขาได้เป็นเหมือนบรรลุจกักรพรรดิสิริพระเจ้าเป็นดินและยุปราชเป็นต้นตั้งทรงแลดูพระพักของกันและกันแต่จริงใครๆชื่อว่าสามารถเพื่อจะรับบาทที่พระศาสดาประทานแก่นายมหาทุกตะด้วยอำนาจความเป็นใหญ่ หามีใหม่เป็นแต่กล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนมหาทุกตะท่านจงให้บาทของพระศาสดาแก่พวกเราพวกเราจะให้ทรัพย์มีประมาณเท่านี้คือพันหนึ่งหรือแสนหนึ่งแก่ท่านท่านเป็นคนเข็นใจจงเอาทรัพย์เถิดประโยชน์อะไรของท่านด้วยบาทของพระศาสดาเล่านายมหาทุกตะจึงตอบว่าข้าพระเจ้าจะไม่ให้ไกล ข้าพระเจ้าไม่มีความต้องการด้วยซับจะให้พระศาสดาเท่านั้นเสวเยจนทั้งหลายที่เหลืออ้อนบอลเขาไม่ได้บาทแล้วก็จึงกลับไปฝ่ายพระชาแผ่นดินทรงมีความดำฤริขึ้นว่านายหมาทุกตะตานี้แม้เขาถูกเล้าโลมล่อ ด, ด้วยซับก็ไม่ให้บาทของพระศาสดากับใครๆไม่อาจจะรับบาด ที่พระศาสดาประทานแล้วด้วยพระองค์เองได้อันธายธรรมของนายมหาทุกตะนี้จะมีประมาณเท่าไหร่ในเวลามหาทุกตะนี้ถาวายทายธรรมเสร็จแล้วเราจะนําพระศาสดาไปที่เรือนถาวายอาหารที่เขาจัดไว้สําหรับเราดังนี้แล้วก็ได้เสด็จไปพร้อมกับพระศาสดาทีเดียวตอน พระศาสดาเสด็จไปเรือนของนายมหาทุกตะฝ่ายเท้าสกัดเตีวราชจัดอาหารพัดมีข้าวต้มข้าวสวยและผักเป็นต้นผู้อาสนะที่สมควรเป็นที่ประทับแห่งพระศาสดาแล้วประทับนั่งอยู่นายมหาทุกตะนำพระศาสดาไปแล้วกราบตุลว่า ขอเชิญเสด็จเข้าไปเถิพระชกาะก็เรือนที่อยู่กองเขาต่ำผู้ที่ไม่ก้มไม่อาจาเข้าไปได้ก็แต่ธรรมดาพระพุทธชาติทั้งหลายเมื่อเสด็จเข้าสู่เรือนไม่ต้องก้มก็เสด็จเข้าไปได้เพราะว่าในเวลาที่เสด็จเข้าสู่เรือนแป่นดินใหญ่ย่อมยุบลงภายใต้หรือเรือนสูงขึ้น นี้เป็นผลแห่งทานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นถวายไว้ดีแล้วก็ในเวลาที่พระองค์เสด็จออกไปแล้วทุกสิ่งเป็นปกติเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นพระาศาสดาทั้งประทับยืนอยู่นั่นเองเสด็จเข้าสู่เรือนแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เท้าส ก, กะปู่ไว้แล้วเมื่อพระาศาสดา ประทับนั่งแล้วพระราชาจึงรับสั่งว่าเพื่อนมหาทุกตะเอ๋ยท่านไม่ให้บาดของพระศาสดาแก่พวกเราแม้อ้อนบอนอยู่พวกเราจะดูสักการะที่ท่านจัดถวายพระศาสดาเป็นเช่นไรลำดับนั้นเท้าส ก, กะเปิดข้าวยากูและพัดออกอวดให้ชมกลิ่นเครื่องอบ อาหารพัดเหล่านั้นได้ตลบทั่วพระนครตั้งอยู่แล้วพระราชาส่งตรวจดูข้าวยากูเป็นต้นแล้วกราบตูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันคิดว่าทายธรรมของนายมหาทุกตะนี้จะมีศัก์เท่าไรเมื่อมหาทุกตะนี้ถวายทายธรรมแล้วจะนําเสด็จพระาศาสดาไปยังเรือนถวายอาหาร ที่เขาจัดไว้สำหรับข้าพระงดังนี้แล้วจึงมาที่นี่อาหารเห็นป่านนี้หมอมชันไม่เคยเห็นเลยเมื่อหมอมชันอยู่ในที่นี้มาหาทุกตะต้องลำบากเหลือเกินหมอมชันจะกลาบละพระราชา จ, จึงได้ถวายบังกคมพระาศาสดาแล้วก็เสด็จหลีกไปตอนบ้านของนายมาหาทุกตะเต็มด้วยแก้วเจ็ดประการ ฝ่ายเท้าสั ก, กะถวายข้าวยากูเป็นต้นทรงอังค่าพระาศาสดาโดยกรบแม้พระาศาสดาทรงทำพัตถกิจเสร็จแล้วทรงทำการอนุโมทนาเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปเท้าสั ก, กะได้ให้สัญญาแก่นายมหาทุกตะเขาจึงรับบาตรตามเสด็จพระาศาสดา เทาสั ก, กะเสด็จกลับแล้วประทับยืนอยู่ที่ประตูรเรือนของนายมหาทุกตาทรงแลดูอากาศแล้วฝนแก้วเจ็ดประการตกลงจากอากาศเต็มภาชนะทั้งหมดในเรือนของเขายังล้นไปทั่วเรือนในเรือนของเขาไม่มีที่ว่างเลยภริยาของเขาได้จุงมือพวกเด็ก นำออกไปยืนอยู่ภายนอกเรือนเขาตามเสด็จพระาศาสดาแล้วกลับมาเห็นเด็กอยู่ภายนอกจึงถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นปริยาของเขาตอบว่านายเรือนของเราเต็มไปด้วยแ้เจ็บประการทั่วทั้งหลังคาไม่มีช่องจะเข้าไปได้นายตุกตะจึงคิดว่าก็าทานของเราให้ผลในวันนี้นั่นเอง ดังนี้แล้วจึงไปสู่พระราชาสำนักถวายบังคมพระราชาแล้วเมื่อพระราชาถามว่ามาทําไมเขาจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านสมุติเทพเรื่องของข้าพระองค์เต็มไปด้วยแค่เจตประการขอพระองค์ทรงถือเอาทรัพย์นั้นเถิดพระราชาจึงมีดําริว่าน่าสจัญจริงทานที่เขาถวายแด่พระบุตชาติทั้งหลาย ถึงที่สุดในวันนี้เองนั่นี้แล้วจึงรับสั่งกะกาว่าเธอควรจะได้อะไรนายมาตุกตะขอจงพระราชทานเกวียนพันเล่มเพื่อต้องการนำซับมาพระราชาจึงส่งเกวียนพันเล่มไปให้นำซับมาแล้วเกลียไว้ที่พระลานหลวงกองซับได้เป็นกองสูงประมาณเท่าต้นตาล พระราชารับสั่งให้ชาวเมืองประชุมกันแล้วประถามว่าก็หนกรุงนี้ใครมีทรัพย์ถึงเท่านี้ไหมชาวเมืองไม่มีพระชก้าพระราชาจะควรทําอย่างไรแก่คนมีทรัพย์ประมาณเท่านี้ชาวเมืองควรตั้งตําแหน่งเศรษฐีให้พระชก้าพระราชาจึงทรงทำสักการะเปนน็นมากแก่เขาแล้ว รับสั่งให้พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีก็ในลำดับนั้นเท้าเธอตรัสบอกที่ตั้งบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งในการก่อนแก่เขาแล้วจึงตรัสบอกว่าเธอจงให้ถางพุ่มไม้ที่เกิดในที่นี้แล้วปลูกเรือยู่เธอก็เมื่อเ่าแผวถางในที่นั้นขุดพื้นที่ทําไม่เรียบอยู่ หม้อทรัพย์ได้ผุดขึ้นยัดเยียดกันละกันเมื่อเขากราบทูลแก่พระราชาท้าวเธอจึงรับสั่งว่าหม่อทรัพย์เกิดพระบุญของเธอนั่นเองเธอนั่นแหละจงถือเอาตอนนายมหาทุ ก, กตะตายแล้วเกิดในกรุงสาวัตถีเขาได้ปลูกเรือนแล้วได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันแม้เบื้องหน้าแต่นั้นเขาดำรงอยู่บำเพ็ญบุญจนตลอดอายุในที่สุดอายุได้บังเกิดในเทวโลกเสวยที่พยาสมบัติสิ้นพุทธันดรหนึ่งในพุทธทุปประบาทการนี้จุติจากนั้นแล้วถือปฏิชนที่ในท้องที่ดากลต ในตระกูลอุปตากของพระสารีบุตรเทระในกรุงสาวัตถีรังนั้นมารดาบิดาของนางทราบความที่นางตั้งคันจึงได้ให้เครื่องบริหารคันในสมัยอื่นนางเกิดแพ้ท้องเห็นป่านนี้ว่าโอ้เราพึงถวายทานแก่ภิกษุห้าร้ยรูป ตั้งต้นแต่พระธรรมเสนาบดีด้วยรถปลาตะเพียนแล้วนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดนั่งในที่สุดอาสนะบริโภคพัดที่เป็นเดนของพิสูจน์เหล่านั้นนางจึงได้บอกแกมานดาแล้วก็ได้กระทำ ต, ตามความประสงค์ความแพ้ท้องระ ง, งับไปแล้วต่อมาในงานมงคลเจ็ดครั้งแม้อื่นจากนั้น มานดาบิดาของนางก็เลี้ยงพรภิกษุห้ารายรูปมีพระธรรมเสนาบดีเทระเป็นประมุขด้วยรถปลาตะเพียนเหมือนกันพึงทราบเรื่องราวทั้งหมดโดยนัยที่กล่าวแล้วในเรื่องติดสักกุมาร น, นั่นแหละก็ได้ ว, ว่านี้เป็นผลแห่งการถวายรถปลาตะเพียนที่ถวายในการที่เด็กนี้ เป็นมหาทุกขตานั่นเองตอนทารกออกบวชเป็นสามเณรก็ในวันตั้งชื่อเมื่อมารดาของเด็กนั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้สิขาบททั้งหลายแก่ธาตุของท่านเถิดพระเถระจึงกล่าวว่าเด็กนี้ชื่ออะไรมารดาของเด็กตอบว่า ข้าแต่ท่านผู้เริญคนเงอะงะในเรือนนี้แม้พวกที่พูดไม่ได้เรื่องก็กลับเป็นผู้ฉลาดตั้งแต่การที่เด็กนี้ถือปฏิสนที่ในท้องเพราะฉะนั้นบุตรของที่ฉันจะมีชื่อว่าเด็กชายบัณฑิตเถิดพระเถระจึงได้ให้สิกขาบททั้งหลายแล้วก็ตั้งแต่วันที่เด็กชายบัณฑิตเกิดมาความคิดได้เกิดขึ้น แกมานดาของกล่าวว่าเราจะไม่ทำลายอัธยาิยสัยของลูกของเราก็ในเวลาที่เด็กชายบัณฑิตนั้นมีอายุได้เจ็ดขวบเขากล่าวกับมารดาว่าคุณแม่กระผมจะบวชในสำนักของพระเถระมานดาจึงได้กล่าววา่าพ่อเอ๋ยแม่นึกไว้แล้วอย่างนี้ว่าจะไม่ทำลายอัธยาิยสัยของเจ้าในินนี้แล้ว มารดาจึงนิมนต์พระเทระให้ฉันแล้วจึงกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทาาของท่านอยากจะบวช ด, ดิฉันจะนำเด็กนี้ไปวิหารในเวลาเย็นมารดาส่งพระเทระไปแล้วให้หมู่ญาติประชุมกันแล้วกล่าวขึ้นว่าพวกข้าพเจ้าจะทำสักกระที่ควรทำ แก่บุตรของข้าพเจ้าในเวลาเป็นเครือขัดในวันนี้ทีเดียวดังนี้แล้วก็ให้ทาสัง ก, กระมากมายพาเด็กชายบัณฑิตนั้นไปสู่วิหารได้มอบถวายแก่พระเทระด้วยคาว่าขอท่านจงบวชให้เด็กคนนี้เถิดเจ้าค่าพระเทระบอกความที่การบวชเป็นกิจที่ต่ำแต่ยากแล้วเมื่อเด็กรับรอง ว่าจะทำตามโอวาทจึงได้กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงมาเถิดพระเทระชจุบผมของเด็กนั้นให้เปียกแล้วบอกกรรมฐานทั้งห้าแล้วก็ได้ให้บวชแม้มารดาบิดาของบัณฑิตสามเณร น, นั้นอยู่ในวิหารนั่นเองสิ้นเจ็ดวันแล้วถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยรถปลาตะเพียนอย่างเดียวในวันที่7เวลาเย็นจึงได้กลับไปเรือนในวันที่8พระเทระเมื่อจะไปภายในหมู่บ้านพาสามนเนนนั้นไปไม่ได้ไปกับหมู่ภิกษุข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าการห่มจีบอลและถือบาท หรืออรียบทของสามเณรนั้นยังไม่น่าเลื่อมใสก่อนอีกอย่างหนึ่งข้อวัดที่พึงทำในวิหารของพระเถระก็ยังมีอยู่อันหนึ่งพระเถระเมื่อภิกษุสงฆ์เข้าไปภายในหมู่บ้านแล้วเที่ยวไปทั่ววิหารกว่าที่ที่ยังไม่ได้กวาดตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ ในภาชนะที่ว่างเปล่าเก็บเตียงและต่างเป็นต้นที่ยังเก็บไว้ไม่เรียบร้อยแล้วจึงได้เข้าไปในหมู่บ้านในปลายหลังอีกอย่างหนึ่งพระเตระมีความคิดว่าพวกเดรธีเ้าไปยังวิหารที่ว่างเปล่าแล้วอย่าได้เพื่อจะพูดว่าดูเถิดที่นั่งของพวกสาวก ข, ของพระสมณโคดมเป็นอย่างนี้ เนนี้แล้วพระเทรฆ์จึงได้จัดแจงวิหารทั้งสิน้นแล้วเข้าไปในหมู่บ้านภายหลังคนอื่นๆเพราะฉะนั้นแม้ในวันนั้นพระเทระให้สา ม, มนเณรนั่นเองถือปาละจีอรเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบินบาตในเวลาสายหน่อยสา ม, มนเณรเมื่อไปกับพระอุปชาเห็นเหมืองในระหว่างทาง จึงเรียนถามพระอุปช่าว่านี่คืออะไรหรือครับพระเทระอันนี้ชื่อว่าเหมืองสามเณรเขาทําอะไรด้วยเมือง น, นี้ครับท่านเขาไขาน้ําจากที่นี้ที่นี้แล้วทําการเกี่ยวด้วยข้าวกล้าของตนก็น้ํามีจิตหรือไม่ครับน้ําไม่มีจิตหลอกสามเณรก็ชนทั้งหลายย่อมไขน้ํา ที่ไม่มีจิตเห็นปานนี้สู่ที่ที่ตนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วได้หรือครับได้สิสามเณรสามเณร น, นั้นมีความคิดว่าถ้าคนทั้งหลายไขยน้ำซึ่งไม่มีจิตแม้เห็นปานนี้สู่ที่ที่ตนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วทำการงานได้เหตุไฉนคนที่มีจิตแท้ จะไม่อาจเพื่อทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจแล้วบาเป็นสมณธรรมดังนี้สามเณรก็เดินต่อไปเห็นพวกช่างสอนกำลังเอาลูกสอนหล่นฝ่ายแล้วเล่งด้วยหางตาดัดให้ตรงจึงเรียนถามพระเถระว่าพวกนี้ชื่ออะไรกันขอรับนี้เรียกว่าช่างสอนสามเณร ก็พวกเขาทําอะไรกันครับเขาหล่นที่ไฟแล้วดัดลูกศรให้ตรงก็ลูกศร น, นั้นมีจิตหรือไม่ครับไม่มีจิตหลอกสามเณรสามเณรนั้นมีความคิดขึ้นว่าก็ถ้าคนทั้งหลายหรือเอาลูกศร อ, อันไม่มีจิตหล่นไฟแล้วดัดให้ตรงได้เพราะเหตุไรแม้คนที่มีจิตจึงจะไม่อาจ เพื่อทำจิตของตนให้เป็นปายในอำนาจแล้วบำเพ็ญสมณธรรมเล่าสามเณรนั้นคิดอยู่อย่างนี้แล้วก็เดินต่อไปเห็นชนถากไม้ทำเครื่องธบสัม b ระมีกรรมกงและดุมรรคือล้อเกวียนเป็นต้นจึงเรียนถามกับราเทราว่าพวกนี้ชื่ออะไรหรือครับนี้เรียกว่าช่างถากสามเณร ก็พวกเขาทําอะไรกันหรือครับช่างถากพวกนี้เขาถือเอาไม้แล้วทําล้อแห่งยานน้อยเป็นต้นสามเณรก็ไม้เหล่านั้นมีจิตหรือไม่ครับไม้เหล่านั้นไม่มีจิตหรอกสามเณรตอนสามเณรลากลับไปทําสมณธรรมทีนั้นสามเณรบัณฑิตได้มีความตรึกตรองขึ้นอย่างนี้ว่า ก็ถ้าคนทั้งหลายตอเอาท่อนไม้ที่ไม่มีจิตทำให้เป็นล้อก็ได้เพราะเหตุไรคนผู้มีจิตจึงจะไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจแล้วบัมเป็นสมณธรรมเล่าสามเณรเห็นเหตุเหล่านี้แล้วจึงเรียนกับพระเถระว่าไต้เท้าขอรับถ้าไต้เท้าจะถือเอาบาตรและจีวรของไต้เท้าได้ เราผมจะพึ่งลากลับพระเตระมิได้เกิดความคิดเลยว่าเจ้าสามเณรตัวเล็กนี้บวชได้หยกๆเดินตามเรามามากล่าวอย่างนี้ได้อย่างไรแต่พระเตระกลับกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าเพราะอย่างนั้นเอามาเถิดสามเณรและได้รับบาและจีวอของตนไว้กายสามเณรไหว้พระอุปัชฌาแล้ว เมื่อจะกลับจึงเรียนว่าใต้เท้าครับเมื่อจะนําอาหารมาเพื่อกระผมพึ่อนำอาหารที่มีรสปลาทะเพียนมาเถิะกรั บ, บพระเถระก็ฉันจะได้ในที่ไหนเล่าสามเณรสามเณรเรียนว่าก็ทําไม่ได้ด้วยบุญของใต้เท้าก็จะได้ด้วยบุญของกระผมครั บ, บพระเถระมีความคิดว่า แม้อันตรายจะเพิ่งมีแก่สามเณรตัวเล็กผู้นั่งอยู่ข้างนอกจึงได้ให้กุญแจลูกดานไปแล้วบอกกับสามเณรว่าเธอควรเปิดประตูห้องที่อยู่ของฉันแล้วเข้าไปนั่งข้างในสามเณรนั้นได้กระทําอย่างนั้นแล้วนั่งอย่างความรู้ของตนในการัชกายพิจารณาอันตรภาพอยู่ ร้อนอาสนะเทา้าสกะร้อนเพราะกุลกองสามเณรกลางนั้นที่ประทับนั่งของเทา้าสากะได้แสดงอาการร้อนด้วยเดชแห่งกุลกองสามเณรนั้นเท้าเธอจึงใกร่กรนว่าจะมีเหตุอะไรกันเนะอะทรงดำรีว่าบัณฑิตสามเณรถวายบาทและจีวรแก่พระอุปชา แล้วกลับไปด้วยตั้งใจว่าจะทําสมณธรรมแม้เราก็ควรไปในที่นั้นแล้ว น, นี้แล้วจึงได้ตรัสเรียกเท้ามหาราชทั้งสมาแล้วตรัสว่าพวกท่านจงไปไล่นกที่มีเสียงบินจอแจอยู่ในป่าใกล้วิหารให้หนีไปแล้วเฝ้าอารักขาไว้โดยรอบตรัสกับจันทาทีบุตรว่า ท่านจงชุดรังมนฑนพระจันทร์ไว้ตรัสกับสุริยะเทพประบุตรว่าท่านจงชุดรังมนฑนของพระอาทิตย์ไว้ดังนี้แล้วตัวพระองค์เองก็เสด็จไปประทับยืนเฝ้าราักขาอยู่ที่สายอยู่ในวิหารแม้เสียงแห่งใบไม้แก่ก็ไม่มีจิตของสามเณร ได้มีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเธอพิจารณาอัตภาพแล้วบรรลุผลสามอย่างในเวลาระหว่างพัดนั่นเองฝ่ายพระเทรรมีความคิดว่าสามเณรนั่งแล้วในวิหารเราอาจจะได้โปรชนะที่สมประสงค์แก่เธอในสกุลชื่อนอน้นเนี่นี้แล้วจึงได้ไปสู่ตระกูลอุปถากซึ่งประกอบด้วยความรัก และความเคารพระกูลหนึ่งก็ในวันนั้นมนุษย์ทั้งหลายในตระกูลนั้นได้ปลาตะเพียนหลายตัวนั่งดูการมาแห่งพระเตระอยู่ทีเดียวพวกเขาเห็นพระเตระกกำลังมาจึงกล่าวว่าท่านขอรับท่านมาที่นี้ทํากรรมที่ดีแล้วแล้วจึงนิมนต์ให้เข้าไปภายในเรือนถวายข้าวยาคู และของขวรเคียวเป็นต้นแล้วได้สบายบินดาบาด้วยรถปลาตะเปียนพระเทระแสดงอาการที่จะนำกลับไปพวกมนุษย์ในเรือนจึงกล่าวขึ้นว่านิ ม, มนต์ฉันเถิดขอรับใต้เท้าจะได้พัดอื่นสำหรับจะนำกลับไปก็ในเวลาที่เสร็จพัฒกิจของพระเทระชนในหรือนนั้นได้เอาโภชนะ ประกอบด้วยรถปลาตะเพียนใส่เต็มบาทะบายแล้วพระเทระมีความคิดว่าสามเณรของเราจะหิวจึงได้รีบกลับวิหารตอนพระศาสดาทรงทำการอาราขาสามเณรก็แม้พระศาสดาในวันนั้นสเสวยพระตาหารแต่เวลาเช้าทีเดียวเสจไปวิหารทรงไกรกรวนว่า ก็วันนี้บัณฑิตสามเณรให้บาตรและจีวรแก่พระอุปชาแล้วจึงกลับไปวิหารด้วยตั้งใจว่าจะทำสมณธรรมกิจแห่งบรรพชิตของเธอจะสำเร็จหรือไม่เมื่อทรงทราบว่าสามเณรบรรลุผลสามแล้วจึงทรงพิจารณาต่อว่าอุปนิสัยแห่งพระอรหันตจะมีหรือไม่ก็เมื่อทรงเห็นว่ามี จึงทรงใคร่กรวลวนต่อไปว่าก็เธอจะอาจเพื่อบรุอรหัสก่อนเวลาพัดทีเดียวหรือหน้อแลหรือจะไม่อาจกเมื่อทรงทราบว่าจะสามารถบรรลุได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีความปริพิตกขึ้นว่าสารีบุตรถือพัดเพื่อสามเณรรีบเดินทางมาเธอจะพึงทาอันตรายแก่สามเณร น, นั้นก็ได้ เราจะนั่งถืออรารักขาอยู่ที่ซุ้มประตูที่นั้นจะถามปัญหาสี่ข้อกับเธอเมื่อสาริบุแก่ปัญหานี้อยู่สามเณรจะบรร ล, ลุพระอารหันต์พร้อมด้วยปฏิสมัมพิทาในนีน้แล้วจึงเสด็จไปจากวิหารนั้นประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูตรามปัญหาสีข้อกับพระเตระผู้มาถึงแล้วพระเทระ แก้ปัญหาที่พระศาสดาตรัสตามแล้วก็ในปัญหานั้นมีปุจฉาวิสัชนาเนื่งต่อไปนี้ได้ยินว่าพระศาสดาตรัสกับพระเถระนั้นว่าสารีบุตรเธอได้อะไรมาได้อาหารมาพระเจ้าค่ะสารีบุตรชื่อว่าอาหารย่อมนําอะไรมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อาหารย่อมนำเวทนามาพระชจ้าข้สารีบุตรก็เวทนาย่อมนำอะไรมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวทนาย่อมนำรูปมาพระชจ้าข้สารีบุตรก็รูปย่อมนำอะไรมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปย่อมนำผัสสะมาพระชจ้าข้ก็ในปณานั้นมีคำอธิบาย อย่างนี้คือจริงอยู่อาหารอันคนหิวบริโภคแล้วกำจัดความหิวของเข่าแล้วนำสุ ข, ขเวทนามาให้ก็เมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นแก่ผู้มีความสุขเพราะการบริโภคอาหารวันนสมบัติย่อมมีในศรีระเวทนาชื่อว่าย่อมนำรูปมาด้วยอาการอย่างนี้ กบูมีสุขเก็สุขโสมนัสด้วยอำนาจรูปที่เกิดจากอาหารนอนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามย่อมได้สุขสัมผัสด้วยคิดว่าบบบ น, นี้อาสาทะเกิดขึ้นแกเราแล้วตอนสามเณรบรรลุอราตผลก็เมื่อพระเตระแก้ปัญหาทั้งสี่ข้อเหล่านี้อย่างนั้นแล้ว สามเณรก็ได้บรรลุพระอารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาฝ่ายพระสัสดาตรัสกับพระเทรว่าไม่เถิดสารีบุตรจงให้พัดแก่สามเณรของเธอพระเทระไปเคาะประตูแล้วสามเณรออกมารับบาทจากมือพระเทระวางไว้นะที่ส่วนข้างหนึ่งแล้วจึงเอาพัดก้านตาลพัดพระเทระ ลำดับนั้นพระเทระจึงได้กล่าวกับสามเณรว่าสามเณรเธอจงทำพัฒกิจเสถิดแล้วใต้เท้าเราก็รับเราทำพัฒกิจเสร็จแล้วเธอจงฉันเถิดก็เด็กอายุเจ็ดขวบบวชแล้วในวันที่8บรรลุพระรหัตเป็นเหมือนดอกบัวที่ยามแล้วในขณะนั้น ได้นั่งพิจารณาที่เป็นที่ใส่พัดทำพัตกิจแล้วในขณะที่เธอล้างบาทเก็บไว้จันทเทพบุตรได้ปล่อยมนทนพระชันสุริยะเทพปบุตรได้ปล่อยมนทนพระอาทิตย์ธามาราทั้งีเลิกอารักขาทิศ ท, ทั้งสเท้าสังกะเทวราชเลิกอารักขาที่ใส่อยู่พระอาทิตย์ เคลื่อนคลอยไปแล้วจากที่ท่ามกลางตอนธรรมดาบัณฑิตย่อมฝึกตนพินสูจทั้งหลายโลนธนาว่าเงาเวลาบ่ายเกินประมาณแล้วพระอาทิตย์เคลื่อนคลอยไปท่ามกลางท้องฟ้าก็สามเณรพึ่งฉันเสร็จเดี๋ยวนี้เองเรื่องนี้อะไรกันนาแลพระศาสดา ทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้วสเสนมาตรัสถามพวกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อพวกภิกษุกราบตูนถึงเรื่องนั้นแล้วพระศาสดาได้ตรัสขึ้นว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายในเวลาผู้มีบุญทําสมณธรรมจจนทะเทพบุตรจุดมนทนพระจันทร์รังไววสุริยะ เด้ระบุฉุดมนฑนประอาทิตย์รังไว้ถามหาราชทั้งสี่ถืออารักขาทั้งสี่ทิศในป่าใกล้วิหารเท้าสังกะเทวราชสเสด็จมายึดอารักขาที่สายอยถึงเราผู้มีความควรควายน้อยด้วยนึกเสียว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพื่อจะนั่งอยู่ได้ยังได้ไปคอยอารักขาเพื่อบุตรของเรา ที่ซุ้มประตูพวกบัณฑิตเห็นคนขายน้ากำลังขายน้าไปจากเหมืองช่างสอนกำลังดัดลูกสอนให้ตรงและช่างถากกำลังถากไม้แล้วถือเอาเหตุเท่านั้นให้เป็นอารมณ์ฝึกตนแล้วย่อมยึดเอาพระอารหาัตไว้ได้ทีเดียวดังนี้แล้วเมื่อจะส่งสืบอนุสนธิ แสดงธรรมจนได้ตรัสพระคาตานิว่าอุทะกันหินยันติเนติกาอุสุการานมยันติเตชนังทารุงนมยันติตัจกาอัตานังธรมยันติบันทิตาแปลว่าอันคนไขน้ำทั้งหลายย่อมไขนม่น้ำ ช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดลูกสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนตอนแก้อัดเนบนาคำเหล่านั้นคำว่าอุทากังแปลว่าน้าหมายความว่าส่วนทั้งหลายขุดที่ดอนบนแผ่นดินถมที่เป็นบ่อแล้วทาเหมือง หรือวางร่างไม้ไว้ย่อมไข่น้ำไปสู่ที่ตนต้องการต้องการเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ไข่น้ำคำว่าเตชนังคือสอนได้แก่ลูกสอนมีพระพุท ธ, ธาทาิบายตรัสไว้อย่างนี้ว่าพวกคนไข่น้ำย่อมไข่น้ำไปตามชอบใจได้แม้ช่างสอน ก็ย่อมลนดัดลูกศรคือทำให้ตรงถึงช่างถากเมื่อจะถากเพื่อเป็นประโยชน์แกทัาพ้าสัมภาระมีกงเป็นต้นย่อมตัดไม้คือทำให้ตรงหรือคด ต, ตามชอบใจของตนบัณฑิต ท, ทั้งหลายทำเหตุมีประมาณเท่านี้ให้เป็นอารมอย่างนั้นแล้วทำมักมีโสดาปฏิมัก เป็นต้นให้เกิดขึ้นอยู่ย่อมชื่อว่าฝึกตนแต่เมื่อบรรลุพระอราธแล้วย่อมจัดว่าฝึกแลโดยสิ้นเชิงในเวลาจบธรรมเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นนันนี้แหละเรื่องบัณฑิตสามเณร